สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักทหกรคนชอบเล่าวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าป่าติดตามการสแสวงธรรมของพระธุดงค์กันบ้างนะครับพระทั้งสองรูปนี้มีนามว่าท่านปัญญารโมกับท่านธรรมวิริโยโดยครั้งหนึ่งท่านทั้งสองได้เดินทางจากภูเก้ามุ่งหน้าสู่วัดหินมักเป้งจังหวัดหนองคาย การทุดงครั้งนั้นท่านปุญญรโมได้เมตตาเล่าไถ่ทอดให้พระมหาบุญไทยปุญญมโนฟังว่าจากวัดพระพุทธบาทภูเก้าเดินทางตามเส้นทางระหว่างรอยต่อของอำเภอโนนสังและหนองบัวซอซึ่งในตอนนั้นยังเป็นเขตปกครองของจังหวัดอุดรธานีทั้งสองอำเภอแต่ปัจจุบันนั้นอำเภอโนนสังเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบวัวลำภูอัตมาได้อุปสมบทก่อนที่จะมีจังหวัดหนองบวัวลำพูอยู่หลายปี หากมีคนถามเมื่อใดว่าเป็นคนจังหวัดไหนอัตมาก็มักจะตอบด้วยความเคยชินว่าเป็นคนจังหวัดอุดรธานีอัตมากับท่านธรรมวิริโยนั้นพักที่วัดพระพุทธบาทภูเก้าอยู่หลายวันพอหายเหนี่ยแล้วจึงมุ่งหน้าออกเดินทางตามกําหนดการเดิมโดยมีจุดหมายที่วัดหินหมักเป้งจังหวัดหนองคายส่วนมากเราจะเดินเลา ะ, ล ะ, ะตามชายป่าไปไม่ค่อยได้แวะเข้าหมู่บ้านใดเป็นพิเศษหากถึงเวลาค่ำลงก็จะหาที่พักกลางกรดกันพักผ่อตามต้นไม้ชายป่า หรือชายเขาก็แล้วแต่จะผ่านพบแต่ว่าจะไม่ให้ห่างจากหมู่บ้านมากนักจะได้สะดวกต่อการโคจรบินเทบาทและประสบการณ์เมื่อครั้งที่ผูเก้านั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สอนให้ต้องจดต้องจําสําหรับอัตมาวันหนึ่งเมื่อฟ้าเริ่มมืดลงมองเห็นแสงสีทองทับทับขอบฟ้าทางทิศประชิมพร้อมกันนั้นก็มีหมู่เมฆไหลายเอื่อยเหมือนจะเป็นสัญญาณว่าวันเนี้ฝนจะตกหนักเราทั้งสองจึงมองหาที่หลบฝนกัน โดยรีบเดินทางไปถึงป่าแห่งหนึ่งไร่ชายเขาเมื่อเวลาไปถึงนั้นก็เป็นเวลาก่อนจะค่ําเล็กน้อยเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับ ก, บการหยุดพักมากสําหรับคืนนี้เดินดู ร, บรอบๆก็เป็นเพียงป่าดอนเล็กๆที่ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยแต่ดูไปดูมาสังเกตดูก็ทําให้รู้ว่าที่เนี่ยเป็นป่าช้าเพราะจะเห็นกองฟอนที่ไม่ไฟกําลังจะมอดดับคงเป็นการเผาศพของชาวบ้านที่เพิ่งเสียชีวิตมาไม่เกิน 2-3 วันนี่แหละ ป่าช้าเหมาะกับพระป่าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะไม่มีใครมารบกวนได้เลยทุกคนต่างสงวนไว้สำหรับคนตายและพระธุดงค์พระธุดงค์สายกรรมฐานส่วนใหญ่ก็ชอบพักในสถานที่แบบนี้เงียบวิเวกดีคืนนั้นเราก็แยกย้ายกันพักไปคนละมุมของป่าช้าการกลดเสร็จก็ได้เวลามืดค่ำลงพอดีหลังจากทาวัดปฏิบัติสวดมนต์เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิด แก่เจ็บตายร่วมโลกด้วยกันหากมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปจากนั้นก็นั่งสมาธิกำหนดจิตให้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานตามปกตินั่นคือวิธีที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาว่าหายใจเข้าให้ใช้คาบริกรรมว่าพุทธหายใจออกให้กำหนดด้วยคำประโทชีวิตอยู่กับลมหายใจและคำบริกรรมพุทโทจนกระทั่งคาบริกรรมหายไปเหลือแต่ลมหายใจอันละเอียด สงบนิ่งนานเท่าไหร่ไม่ได้กําหนดพอจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจึงอยุดอยู่ในเอ ก, กคัตารมนั้นขณะนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีผู้คนจํานวนมากมายมารุมล้อมอัตมาบางคนกราบไหว้บางคนหัวเราะบางคนมานั่งร้องไห้มีอิริยาบถหลากหลายที่คาดไม่ถึงอัตมาไม่ได้แสดงอาการอย่างใดออกไปให้พวกเขาเห็นก็ปล่อยให้พวกเขาแสดงกิริยาต่างๆกันไปสักพักพวกเขาก็หยุด และเวลานั้นก็ได้มีร่างของหญิงสาวจํานวนหนึ่งปรากฏขึ้นแต่งตัวในอาภรณ์สวยงามประหนึ่งนางคติยาของกษัตริย์ที่เคยเห็นในภาพยนตร์บางเรื่องพวกนางต่างเดินเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยนางผู้เป็นหัวหน้านั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้สูงซึ่งตอนนั้นอัตมาก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนท่าทางประทับนั่งพระหนึ่งเปน็นนางพญาก็ไม่ปานพวกผู้ชายที่กําลังแสดงอาการต่างๆพลันก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยจากนั้นจึงเห็นนางพญาคติยาคนนั้น กระซิบ่งให้หญิงสาวสองคนซึ่งแต่งตัวด้วยป้าถุมมีพิมพ์ผ้าสบายคลุมไหล่คนหนึ่งสีเขียวอีกคนหนึ่งสีแดงอมม่วงเดินเข้ามาหาอัตมาท่าทางการเดินของเธอทั้งสองนั้นช่างอ่อนช้อยงดงามยิ่งนักหญิงสาวคนหนึ่งก็กล่าวด้วยสำเนียงเหมือนบังคับว่านามภรยาต้องการให้ท่านไปเป็นสามีท่านจะว่ายอย่างไรอัตมาจึงบอกเธอไปว่าอัตมาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระวินัยไม่อนุญาตให้มีภรยาได้ ลาตมาก็กำลังบําเพ็ญบารมีเพื่อจะได้พบกับการบรรลุพระธรรมในพระพุทธศาสนาผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่านางพญาม่เคยถูกใครปฏิเสธมาก่อนชายทุกคนมีแต่หมายปองอยากได้นางมาเป็นภรรยาทั้งนั้นทําไมเมื่อถึงวาสนามาเกยท่านจึงปฏิเสธด้วยเล่าคิดดูให้ดีๆนะหากท่านตกลงสมบัติทุกอย่างจะเป็นของท่านท่านจะกลายเป็นพระราชาครองเมืองแห่งนี้แล้วก็เกิดเหตุมัศจันทร์เมื่อนางพูดจบ พลันก็เกิดมีปราสาทผุดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาจากภาพที่เห็นแต่ปราสาทเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากมายมหาศาลวัสดุทุกอย่างประดับประดา ด, ด้วยทองคําเหลืองอารามงดงามผู้ที่อยู่ภายในปราสาทมแีแต่แต่งตัวสวยงดงามกันไปหมดและก็มีเก้าอี้ประดับตกแต่งสวยงามว่างอยู่หนึ่งที่ด้านซ้ายมองเห็นนางพญาประทับนั่งเด่นเปสงณาส่วนด้านขวานั้นก็ยังว่างเหมือนกํลาลังเชื้อเชิญให้พระราชาประทับนั่ง อาตมากเกือบจะขยับเก้าเดิอนอยู่แล้วเพราะทนต่อความยุ่ยยวนของทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่ไหวแต่ขณะที่กําลังจะยอมแพ้อยู่นั้นรันก็มีพระสงฆ์ชรารูปหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเหมือนท่านจะบังเอิญเดินผ่านมาหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้ท่านกล่าวขึ้นลอยๆว่าท่านจะไปวัดหินหมากเป่งมิใช่หรือไปยังไม่ถึงทําไมทิ้งเปลี่ยนเป้าหมายล่ะจากนั้นก็เดินหายลับไปในราวป่าด้วยคําพูดนี้อาตมาจึงได้สติกลับคืนมา พอหันกลับมามองอีกทีทุกอย่างก็อยู่ในความเงียบสงบปราสาทและราชวังมันก็หายไปเหมือนกับไม่เคยมีมาก่อนและหญิงสาวเหล่านั้นก็หายสาบสูญไปด้วยเช่นกันทั้งหมดเป็นเพียงภาพมา ย, ยาที่เกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้นอาตมาจึงออกจากสมาธิหันมองซ้ายมองขวาป่าช้าก็ยังเงียบสงบได้ยินเพียงเสียงมแมลงกลางคืนส่งเสียงเป็นพักๆมายาการที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนความฝันแต่ทําไมมันจึงเหมือนภาพที่ปรากฏจริง ป่าก็ยังคงเป็นป่ากองฟอนที่อยู่ไม่ไกลนักที่กํำลังจะมอดดับถูกลมลมเผลอพัดปรากฏเป็นเพลิงคุกกลุ่นขึ้นใหม่อีกครั้งแสงจากกองไฟที่เผาศพนั้นมองดูไกลๆเหมือนกับดวงตาของสัตว์ ร, ร้ายตอนนั้นก็คิดถึงท ร, รมวิริโยขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้แต่ทว่าคงจะไปยืนด้วยในยามวิการเช่นนี้เห็นจะไม่เหมาะป่าช้าอาจจะแฝงไปด้วยอันตรายที่คาดไม่ถึงก็ได้อัตมาจึงตัดสินใจสงบจิตหลับพักผ่อน ภาพมโนต่างๆนั้นก็ไม่ปรากฏมาให้เห็นอีกเลยได้ยินเสียงไก่ขันแว่วมาจากหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลนักเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่ารุ่นดรุณงกำลังจะมาเยือนแล้วเมื่อแสงเรื่อนเรืองจากขอบฟ้าเริ่มปรากฏไม่นานธรรมปริโยก็เดินอุ้มบาตผ่านมาวันนั้นเราทั้งสองรูปจึงเดินบินธบาตรที่หมู่บ้านแห่งนั้นชาวบ้านต่างแปลกใจที่จู่ๆก็มีพระสงฆ์เดินบินธบาตรโดยไม่คาดฝันจึงใส่บาตรกันด้วยอาหารเท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น อาหารที่ได้ในวันนั้นจึมีเพียงข้าวเหนียวเปล่าๆไม่มีอาหารอะไรเลยแต่ก็เพียงพอแล้วสําหรับที่จะทําให้มีชีวิตและมีกําลังอยู่ต่อไปได้ระยะทางจากป่าช้าถึงหมู่บ้านเท่าที่คํานวณดูก็น่าจะไม่ต่ากว่า3กิโลเมตรพอกลับถึงที่พักทุกอย่างยังคงเป็นปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือชาวบ้านก็เดินตามเราทั้งสองมาห่างๆพอมาถึงที่พักต่างก็เข้ามานั่งสนทนาด้วยและบอกให้เรารอสักครู่ชาวบ้านก็นําอาหารมาถวาย จากคำบอกเล่าของชาวบ้านจึงทำให้ทราบว่าหมู่บ้านแห่งนี้กำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวเพราะกำลังมีผีแม่ไม้มาภาคชีวิตชายในหมู่บ้านตายไปหลายคนแล้วนี่ก็เพิ่งเผาไปได้ไม่ถึงสามวันชายหนุ่มในหมู่บ้านนี้มักจะเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนอนหลับตายไปเฉยๆบ้างหากท่านได้สังเกตดูท่านก็จะเห็นรัวบ้านแต่ละหลังมีภาพประหลัดขีดทาสีแดงใหญ่บ้างเล็กบ้างอยู่ในหมู่บ้าน เราะเชื่อว่าผีแม่ไหม้จะมาเอาชีวิตของชายหนุ่มไปเป็นสามีเมื่อไม่เห็นประหลัดขลิกก็นึกว่าคงจะเป็นผู้ชายจึงนําไปเพื่อเป็นสามีชายหนุ่มในหมู่บ้านนี้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเกือบสิบคนแล้วในเวลาเพียงสองเดือนเท่านั้นเมื่อได้ฟังอาตมาก็คิดถึงมายาการที่ปรากฏให้เห็นเมื่อคืนที่ผ่านมารอยยิบมันเชิญชวนของหญิงเหล่านั้นยังติดตาตึงอยู่ในใจแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็เป็นภาพที่ไม่อาจลบได้เลย และสักครู่มีชายชราคนหนึง่งเป็นตัวแทนชาวบ้านกล่าวขึ้นว่าข อ, อนิมนต์ท่านอาจารย์ทั้งสองพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งนีห้หลายวันหน่อยได้ไหมและขอให้ช่วยปราบผีแม่หม้ายให้พวกผมด้วยตอนเนี้พวกผมไร้ที่พึ่งกันแล้ววัดในหมู่บ้านก็ร้างไปนานแล้วจะหาพระสงฆ์ประจำํำภรษาไม่ได้เลยกองไฟที่ท่านเห็นนั้นก็คือซากศพของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปพอนอนหลับแต่พวกผมเชื่อกันว่ามันเป็นฝีมือของผีแม่หม้าย เมื่อหันไปมองหน้าของท่านธรรมวิริยสีหน้าของท่านกับแววตาของท่านก็บอกว่าแล้วแต่ท่านถ้าท่านอยู่ผมก็อยู่อัตมาจึงบอกชาวบ้านไปว่าตกหลงอัตมาทั้งสองรูปจะพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งนี้สักพักแต่ไม่ได้กําหนดว่าจะอยู่สักกี่วันส่วนเรื่องผีแม่ไม้นั้นอัตมาคิดว่ารอดูไปสักพักก็คงไม่ร้ายแรงอะไรนักหรอกหากเป็นผีจริงก็คงมีคุณธรรมไม่ทําร้ายชีวิตผู้คนอย่างไม่มีเหตุผลหรอกทุกอย่างน่าจะแก้ไขได้ ผู้จบชาวบ้านต่างก้มกราบด้วยความดีใจเมื่อชาวบ้านกลับไปหมดแล้วท่านธรรมวรียอจึงเอ่ยขึ้นว่าปัญหานี้ท่านเป็นคนผูกท่านจะแก้อย่างไรอาตมาจึงเล่าเรื่องภาพมายาที่ปรากฏให้เห็นให้ฟังก่อนจะสรุปว่าอาตมาก็ไม่ใช่ว่าอยากจะลองดีเพียงแต่สงสัยว่าทําไมสิ่งที่ประสบพบมานั้นมันจึงเหมือนกับพี่ชาวบ้านเล่าให้ฟังอาตมาและพระธรรมวรียอจึงตัดสินใจพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งนั้นอีก และยังคงทําภารกิจทุกอย่างเหมือนปกติแต่ผ่านไปสามวันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชายในหมู่บ้านก็ไม่มีใครเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกมายาการที่เคยปรากฏก็ไม่มีให้เห็นอีกและในหลายๆวันต่อมาเราทั้งสองจึงทําพิธีเพื่อความสบายใจของชาวบ้านโดยการจเจริญพระพุทธมนต์แต่เพิ่มบทพิเศษอีกสองบทก็คือธรรมบักกับประวัณสูตรและมหาสมัยสูตรซึ่งต้องใช้เวลาสวดนานมากพิธีกรรมจัดขึ้นที่บ่อน้ํานอกหมู่บ้าน โดยหยุดเทียนน้ำมนต์ลงที่บ่อ น, น้ําที่ชาวบ้านใช้ดื่มทั้งหมู่บ้านนี่แหละทําครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไปจากนั้นก็บอกลาชาวบ้านว่าจะเดินทางกันต่อไปแล้วเพราะจุดหมายยังอยู่ที่วัดหินปากเป้งจังหวัดหนองคายคืนนั้นอาตมากําหนดจิตแผ่เมตตาไปยังวิ ญ, ญญาณทั้งหลายตามปกติแต่กําหนดพิเศษไปยังวิญญาณของยิงสาวทั้งหลายที่เคยเห็นในไมายาการในคืนวันแรกพร้อมทั้งบอกลาตกดึกคืนนั้นซึ่งเป็นคืนเดือนงาย ป่าช้ามองดูสลัวด้วยแสงแห่งดวงจันทร์บรรยากาศกลางฤ ด, ดูร้อนแต่เย็นสบายมีลมโชยมาพักๆเป็นเบาๆท่านธรรมวิริโยแยกไปพักนานแล้วและยังคงนั่งสมาธิจเจริญภาวนาตามปกติอัตมากำหนดจิตแน่วแน่จึงเข้าสู่ความสงบอีกครั้งและณขณะเวลาตอนนั้นก็เหมือนทุกอย่างมันหยุดนิ่งหญิงสาวและนางพยาคนนั้นต่างปรากฏกายขึ้นและพากระเดินเข้ามาหาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม แสดงถึงความเป็นมิตรเหมือนอุบาสิกาทั่วไปไม่ได้ประดับประดาร่างกายทรงด้วยเครื่องอภรณ์อรณาลังการเหมือนวันก่อนพวกเธอมาในเพศของหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาพอเข้ามาใกล้ๆต่างก็พากันก้มลงกราบจากนั้นจึงเอ่ยปากขอให้อัตมาแสดงธรรมให้ฟังอัตมาจึงบอกไปว่าอัตมาเป็นพระบวชใหม่ยังไม่ได้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาลึกซึ้งมากนักแต่มีกุศลจิตอยากปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และที่เคยได้ยินมาครูบาอาจารย์ก็สอนว่าไฟเสมอด้วยราคาไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีขายเสมอด้วยมูหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีเท่านี้แหละนำไปพิจารณาดูเอาเองเถิดหญิงสาวที่เป็นหัวหน้าบอกว่ามหาสมัยสูตรที่ท่านสวดให้ฟังทุกคืนน่ะทำให้จิตใจของพวกดิฉันมีความสุขเหล่าเทวดาทั้งหลายต่างภาาธุ ก, การพวกดิฉันก็พอยยินดีไปด้วย ขออนุโมทนาในการบุตของท่านขอให้มีความสุขและขอให้เห็นธรรมและกลับมาแสดงให้พวกฉันฟังด้วยนะคะและเมื่ออาตมาต้องจากถิ่นตรงนั้นมาอาตมาไม่รู้ว่าหมู่บ้านแห่งนั้นยังมีชายหนุ่มต้องเสียชีวิตเพราะผีแม่ไม้อีกหรือไม่และผีแม่ไม้นั้นเป็นใครมาจากไหนก็ยังหาคําตอบไม่ได้แต่สิ่งที่ได้พบเห็นในขณะที่พักที่นั่นอาตมามั่นใจว่าพุทธธรรมของพระพุทธศาสนานั้น เหล่าผู้ผีปีศาจทั้งหลายก็ต้องพ่ายแพ้ไปขอกราบขอพระคุณพระมหาบุญไทยบุญยมนูผู้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผมได้นำมาเล่าต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ฟังจะได้รับทั้งความบันเทิงและแง่คิดนะครับขอบคุณที่กดติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ